Thank you. เื่อว่าในที่นี้หลายคนเพิ่งมานอนวัดเป็นครั้งแรกในชีวิตนะแล้วก็หลายคนเช่นกันที่เพิ่งมาปฏิบัติธรรมเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ต้องถือว่าเป็นโอกาสที่หน่วยงานของเรานะมอบให้กับพวกเราถ้าหน่วยงานไม่จัดการปฏิบัติธรรมพวกเราหลายคนก็คงจะไม่มีโอกาส มาสัมผัสกับบรรยากาศที่นี่มาค้างคืนวัดป่าแล้วก็ได้มาปฏิบัติธรรมด้วยวก็เชื่อว่าหลายคนคงจะมีคำถามอยู่ในใจแต่อาจจะไม่พูดออกมาว่าทำไมต้องมาปฏิบัติธรรมด้วยในเมื่อทุกวันนี้ฉันก็มีความสุขอยู่แล้วคำถามนี้เนี่ยเกิดกับหลายคน เพราะมีความเข้าใจว่าต่อเมื่อทุกข์แล้วนะประสบความทุกข์ประสบความพัดพราดเช่นอกหักตกงานหรือว่าสูญเสียคนรักนะจึงจะมาเข้าวัดมาปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นความเข้าใจที่แพร่หลายในหมู่คนทั่วไปนะก็ทำให้มีความเข้าใจต่อไปว่า ถ้าฉันยังมีความสุขดีอยู่ก็ไม่จงเป็นต้องมาปฏิบัติธรรมแต่คำถามที่อยากจะถามก็คือว่าเราแน่ใจได้อย่างไรว่าสมมุติณนะ่าถ้าวันนี้เรามีความสุขอะพรุ่งนี้เราจะยังมีความสุขอยู่คำว่าวันนี้เรามีความสุขนี้ก็พูดแบบสมมุตินะเพราะว่าถ้าถามจริงๆหลายคนก็รู้สึกว่าฉันก็ไม่ได้มีความสุขเท่าไหร่ อาจจะมีความทุกเรื่องงานมีความทุกเรื่องครอบครัวมีความทุกเรื่องเงินเดือนเรื่องหนี้สินนะแต่พอบอกว่าจะมาปฏิบัติธรรมก็ก็มีความสุขขึ้นมาทันทีนะหลัจะมีความสุขแล้วฉันจะมาทำไมอ๋อสมมุติว่ามีความสุขก็แล้วกันนะแต่เราแน่ใจได้อยางไงว่าพรุ่งนี้มาลื่นนี้เนี่ยเราจะยังมีความสุขเหมือนอย่างวันนี้เราจะไม่เจ็บป่วยนะ เราจะไม่ประสบอุบัติเหตุจนกระทั่งพิกลพิการเราแน่ใจได้งไรว่าพรุ่งนี้เมื่อลืนนี้เราจะไม่ไมพบข่าวร้ายว่าคนที่เรารักจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือแม้แต่ลูกหลานเนี่ยมีอันเป็นไปถูงรถชนหรือว่าล้มป่วยกะทันหันหรืออาจจะหนักกว่านั้น ไม่มีใครที่บอกได้นะว่าวันนี้คนที่เรารักเขาอยู่กับเราก็จริงแต่พรุ่งนี้เขาจะยังอยู่กับเราต่อไปเราเดินลงบันไดหรือว่าเดินในห้องน้ําพรุ่งนี้มืรืนนี้ก็อาจจะหกล้มพัดตกลงมาหัวแตกหรือว่าต้องเข้าโรงพยาบาลก็ได้วันนี้มี ทรัพย์สินเรียกว่าพัางพร้อมบริบูรณ์แต่วันหน้านะอาจจะถูกยึดรถถูกยึดบ้านหรือว่าธุรกิจที่ทำมันเกิดมีปัญหาคุกคักถึงกับล้มละลายเลยก็ได้มันไม่มีหลักประกันเลยนะว่าวันนี้สุขแล้วเนี่ยพรุ่งนี้จะยังมีความสุขต่อไป เพราะอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้คนที่คิดว่าวันนี้ฉันสุขแล้วพรุ่งนี้ฉันก็จะสุขต่อไปนะทุกอย่างก็มีแต่จะดีขึ้นนะทรัพย์สมบัติก็จะพอกพูนมากขึ้นนะคนรักก็ยังอยู่กันอย่างปกติสุขอันนี้ถือว่าประมาทนะเพราะว่าอะไรอะไรก็ไม่แน่มีหลายคนนะที่คิดแบบนี้แหละนะว่า วันนี้ฉันสุขแล้วก็เราเคียบพุ่งนี้ฉันก็ยังมีความสุขวันนี้ฉันมีสุขภาพดีพุ่งนี้ฉันก็ยังมีสุขภาพดีต่อไปแล้ววันดีคืนดีเพราตัวเองเป็นมะเร็งทำใจไม่ได้เลยนะทำไมต้องเป็นชั้นนะอดครวญบวยวายอยู่ข้างในทำไมต้องเป็นชั้นนะก็ไม่ เห็นหรือว่าไอ้ตอนที่เราสุขภาพดีเนี่ยคนโน้นก็เป็นโรคมะเร็งคนนั่นก็เป็นมะเร็งมีคนรอบตัวเป็นมะเร็งกันที่รักษาตัวอยู่ก็มีตอนนี้ที่ตายไปแล้วก็มีทุกวันนี้ไม่มีใครนะที่ไม่รู้จักหรือไม่มีญาติพี่น้องที่ไม่เป็นมะเร็งหรือไม่ตายเพราะมะเร็งก็น่าจะเสียใจนะว่า วันหน้าเนี่ยเราอาจจะเกิดเหตุการณ์นี้ได้แต่คนส่วนมากเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละนะก็คือประมาทประมาทไม่คิดจะเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับฉันเนี่ยฉันจะรับมือกับมันอย่างไรมีนายทหารคนนึงนะมีชื่อเสียงมากสมัยที่เขายังเป็นหนุ่มเป็นแน่นนะนนผูเ้เป็นผู้บัญชาเป็นผู้บังคับ เหล่าทัพในต่างจังหวัดแล้วก็ขึ้นเชื่อมีความกล้าบ้าบินเคยนำนะกำลังพลของตัวนี้ไปลุยกับต่างชาติที่ชายแดนไม่สนใจนะว่าเจ้านายสั่งหรือเปล่าฉันจะไปลุยนะเพราะว่ามีกองกำลังต่างชาตินะลุกเข้ามาในเขตแดนประเทศไทย ก็เป็นคนที่เรียกว่าคร้าๆก็ชื่นชมว่าเป็นคนกล้าเป็นวีรชนก็เคยกล่าวว่าไอ้คนที่ฆ่าตัวตายนะมันไม่ใช่ลูกผู้ชายอาจจะเคยได้ยินนะเรื่องราวของตำรวจทหารที่ฆ่าตัวตายก็พูดขึ้นมาเนี่ยให้สัมภาษณ์ไอ้คนที่ฆ่าตัวตายมันไม่ใช่ลูกผู้ชายแล้ววันดีคือในี้แกเป็นมะเร็ง แล้วมะเรของแกก็ลุกลามเร็วมากนะสุดท้ายนะแกก็ฆ่าตัวตายคนไปพบศพทีแรกก็นึกว่าคงมีคนเนี่ยทำร้ายแกเพราะว่าแกเป็นคนที่เคยลั่นวาจาไว้ว่าไอคนค่าตัวตายไม่ใช่ลูกผู้ชายแต่หลังจากที่สืบสวนนะพยานแวดล้อมต่างๆแล้วก็ ต้องได้ข้อสรุปว่าแกทำร้ายตัวเองจริงๆไอ ต, ตอนที่คนเราไม่เป็นอะไรนะเราก็พูดได้นะแต่พอเราถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจไว้นะถึงเวลาเรามีอันเป็นไปนะมันจะกลายเป็นคนละคนเลยนะจากคนที่เป็นชายชาทหารก็อาจจะกลายเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะรับมือกับความเจ็บป่วยสุดท้ายก็ทาในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยเคยประนาม อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะเพราะคนเราเนี่ยทําไม่ได้เตรียมตัวมาเลยเนี่ยพอเกิดเหตุร้ายนี่มันกลายเป็นคนละคนเลยนะและชื่องคนลําก็มีอะไรที่สามารถจะพลิกผันในตลอดเวลาวันนี้มีสุขสความสุขสบายดีมีงานทําแต่วันหน้าอจะตกงานวันนี้มีเพื่อนร่วมงานที่ดีมีเจ้านายที่ดีแต่วันหน้าอาจจะโดนเจ้านายคนใหม่ที่ กดขมกดขีเ่เย็ดยามกดดันสารพัดแล้วคงเคยได้ยินข่าวนะตำรวจที่ยิงตัวตายเพราะว่าทนแรงกดดันภายในหน่วยงานไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ก็ตายกันเยอะโดยตำรวจที่ฆ่าตัวตายเนี่ยคนเหานี้ต้อมาช่วยนะมาตอนที่เขายังหนุ่มเนี่ย <haba. S 1> เขาไม่คิดหรอกว่าเขาจะลงเอยแบบนั้น เรียนจบก็มีความสุขได้เป็นตำรวจก็ดีใจโอไปบนที่ไหนก็ไปแก้บนโดยที่ไม่ยั่นเพราะเป็นตำรวจไม่ใช่เรื่องง่ายก็ดีใจนะมีความสุขนะแต่ว่าสุดท้ายก็มาลงเอยนะอย่างที่ใครๆคราไม่ถึงจริงอยู่นะเรื่องแบบนี้เป็นส่วนน้อยแต่มันก็น่าจะเตือนใจแล้วว่าอะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้ สุกในวันนี้ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้นะจะสุขวันหน้าจะสุกคนฉลาดเนี่ยเขารู้เช่นนี้เนี่ยนะเขาจะไม่ประมาทถึงแม้วันนี้สุขแต่ผู้นี้อาจจะทุกข์แล้วจะทำยังไงล่ะของมันนี่มันควบคุมไม่ได้ซะด้วยนะก็ต้องเตรียมตัวและเตรียมใจนะการที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะของการเตรียมใจ เพื่อเราจะได้มีอย่างน้อยมีภูมิคุ้มกันนะร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันนะทำให้เชื้อโรคเนี่ยไม่สามารถจะมารังควานเล่นงานทำให้เจ็บป่วยได้แต่ใจเรามีภูมิคุ้มกันหรือเปล่านะบ่อยครั้งเนี่ยเราก็ทำลายภูมิคุ้มกันในจิตใจนั้นด้วยความหลงมัวเมาด้วยความประมาท คนที่ไม่คิดเลยนะว่าวันข้างหน้าจะมีอันเป็นไปอย่างไรบ้างหรือเปล่าหรือมีโอกาสจะเกิดความพัดพลาดสูญเสียบ้างหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เรียกว่าประมาทหรือคิดแล้วเนี่ยแต่ว่า ค, คิดว่าฉันจะรับมือได้เนี่ยอันนี้ก็ประมาทนะก็มีหลายคนที่คิดว่าเออมันเป็นไปได้นะวันหน้าฉันอาจจะเป็นมะเรง็งวันหน้าฉันอาจจะเจอความสูญเสียพัดพลาทรัพย์สินอาจจะถูกยึดเพราะว่า จ่ายหนี้ไม่ครบไม่มีเงินจน่ายหนี้แต่ว่าไม่ได้เตรียมตัวเลยคิดว่าถึงตอนนั้นฉันเอาอยู่อันนี้ประมาทนะพราคนเราเนี่ยไอตอนที่ไม่เกิดเหตุร้ายกับตอนที่เกิดเหตุร้ายนี่มันสามารถจะเป็นคนละคนได้ไม่ต้องอื่นไกลเนีเวลาเพื่อเราอกหักเนี่ยนะหรือว่าเพื่อเราถูกขโมยเงินเนี่ยเราสามารถจะแนะนําเขาได้เลยอกหัก มันดีกว่ารักไม่เป็นอย่าไปเสียใจไปเลยมันมีคนใหม่ที่ดีกว่ารออยู่นะอย่าเศร้าโศกเสียใจไอ้เงินที่ถูกหายถูกขโมยไปมันเป็นของนอกตัวถือว่าฟาดครอบไปก็แล้วกันเนี่ยเราแนะนำเพื่อนได้นะแต่พอเราเจอเองบ้างเนี่ยนะไม่เป็นผู้ไม่เป็นคนเลยนะอกหักแฟนทิ้งนี่โอกินเหล้าเมาไม่เมื่อวานนี่ยังแนะนำเพื่อนใด้หยกหยกนะ วันนี้เสียศูนย์ไม่สะละเพราะอะไรนะเพราะว่าพอเจอเข้าจริงๆเนี่ยมันตั้งสติไม่ได้ไอตอนที่ไม่เจอเนี่ยนะมันใช้หัวคิดก็แนะนำนะแต่พอเจอจริงเนี่ยนะมันคิดไม่ออกแล้วเพราะว่าอารมณ์มันท่วมทนใจจนหัวเนี่ยคิดไม่ออกอารมณ์อะไรโกรธเศร้า นะแค้นนะอันนี้เป็นประจํามันมีนักเล่นหุ้นนะหลายคนเนี่ยที่ก็รู้นะ่าการเล่นหุ้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงและเวลาเขาเล่นหุ้นเนี่ยเขาก็กะเลยนะว่าถ้าหุ้นราคาตกไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์เาไม่เทขายนะถ้าหุ้นราคาตกไม่ถึงสิเปอร์เซ็นเนี่ยไม่เทขายจะรอเพราะคิดว่ามันอาจจะเด้งขึ้นมาได้ แต่หลายคนนะพอหุ้นมันตกแค่ห้าเปอร์เซ็นนะโหยตกใจ ต, ตะลีตาลานเทขายเลยท้านที่เตรียมไว้แล้วนะคิดไปแล้วนะว่าถ้าหุ้นไม่ตกสิเอร์เซ็นตนี่ไม่ขายแต่พอตกแค่ห้าเปอร์เซ็นโอ้ยนะมันตกใจนะลืมไปเลยนะที่คิดเอาไว้อ่ะนะนี่เราว่าคนละคนนะตอนที่หุ้นไม่ตกเนี่ยเป็นคนหนึ่งแต่พอหุ้นตกนะแม้จะไม่ถึงระดับที่ตั้งเอาไว้ ตกใจการเป็นคนละคนไปแล้วที่กลายเป็นคนละคนเพราะอะไรเพราะไม่มีสติฉั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะก็เพื่อเราจะได้หนึ่งเราจะได้ไม่ประมาทกับชีวิตนะมาฟังธรรมนะก็เตือนใจให้เรารู้ว่าชีวิตมันไม่เที่ยงอะไรอก็ไม่แน่นอน สิ่งที่มีในวันนี้วันหน้าจะไม่มีก็ได้เพราะมีกับหมดเป็นของคู่กันนะคนที่เรารู้จักวันนี้วันหน้าอาจจะพัดพลาดจากกานพบพบกับพลากเนี่ยเป็นของคู่กันนะเช่นเดียวกับเจอและจากเป็นของคู่กันนะไม่ต้องพูดเรื่องเกิดกับตายนะไอ้ระหว่างเกิดกับตายนี่มันมีอะไรที่มันสามารถจะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้น เมื่อเราได้มามาวัดเราก็ควรจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ว่าอะไรอะไรก็ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าประมาทคราวนี้รู้แล้ว่าจะต้องไม่ประมาทจะต้องเตรียมตัวจะเตรียมตัวอย่างไรอก็นี่แหละฝึกสติเป็นเบื้องต้นตั้งสติให้ได้นะเวลามันเกิดสูญเสียพัดพลาดเวลาเกิดเจ็บป่วยก็ไม่ไม่บุมบามหรือว่าไม่ไม่ปล่อยให้อารมณ์มันท่วมท้นใจนะ โดยเฉพาะคนที่มีความสำเร็จสูงๆมีหน้ามีตาเนี่ยเวลามันสูญเสียนี่มันเสียสูญง่ายๆนะข้าราชการคนหนึ่งเป็นข้าราชการระดับสูงแล้วก็ทำธุรกิจประกอบไปด้วยหมุนเงินกู้เงินมาหมุนเงินทำธุรกิจปรากฏว่าธุรกิจเจ๊งเป็นหนี้มากไม่มีเงินจะจ่ายหนี้สุดท้ายบ้านจะถูกยึดแล้วก็จะถูกยึด นะบ้านก็ราคาสิบล้านรถก็ราคาแพงทำใจไม่ได้นะเป็นข้าราชการระดับสูงนะจะต้องไปอยู่บ้านบ้านตึกแถวนะหรือบ้านเช่ารถก็ไ ม, ม่มีใช้นะไอ้เรื่องหน้าตานี่มันมันมันมีทิพลมากนะรู้สึกว่าตัวเองจมไม่ลงสุดท้ายก็ค่าตัวตายาทั้งที่ ในการที่จะถูกยึดบ้านถูกยึดรถแล้วไปอยู่บ้านเช่าห้องแถวมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายอะไรเลยแต่พราะไม่ได้เคยเตรียมใจไว้เลยแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้ถึงเรื่องของโลกธรรมแปดมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศสารเสรื่อคู่กับดินทาสุขกับทุกนี่ของคู่กั น, นถ้าเกิดว่าเราได้เรียนรู้เรื่องชีวิตเรื่องความไม่เที่ยงของของชีวิต แล้วก็พยายามฝึกสตินะถึงเวลามีอะไรมากระทบนะมันเหมือนพายุอ่นะเรือเนี่ยถ้ามันไม่มีสมอนะเจอพายุมันก็ลอยออกทะเลลึกไปเลยคนเราเนี่ยชีวิตของเราเหมือนกับเรือนะบางครั้งเนี่ยมันไม่แน่หรอกว่าจะเจอพายุเมื่อไหร่แต่ถ้าเจอเนี่ยเราไม่กลัวนะเพราะ่เรามีสมอเนี่ยสมอนนี่มันยึดเรือไว้ ทำให้พายุมันทำลายมันทำให้เรือเนี่ยไม่สามารถจะถูกพัดออกทะเลลึกได้นะจิตใจเราต้องมีสมอนะสมอนน่คือสตินะเวลาเจอพายุร้ายไม่ว่าจะเป็นความพัดภาคสูญเสียทรัพย์สินเงินทองคนรักไม่ว่าจะเจ็บป่วยไม่ว่าจะถูกกดดันต่างๆแต่ว่ายังครองสติได้ นะยังสามารถจะเป็นผู้เป็นคนได้สามารถจะใช้สติปัญญานะแก้ไขเหตุการณนะ์ไม่ใช่ปล่อยให้อารมณ์มันท่วมทับจกนกระลังคิดอะไรไม่ออกไอตอนที่ไม่เกิดเหตุนี่แนะนำคนไดเนเน้เป็นเรื่องเป็นราวนะแต่ว่าพอเจอเองนี่เสียท่ากนันนะเกือบจะร้อยทั้งร้อยเพราะว่าขาดสติงการฝึกสติสำคัญนะที่เรามาปฏิบัติทำเพื่อที่เราจะได้นะ มีสติไว์นะประการแรกเนี่ยพอเรารู้ลงหน้ามันอาจจะเกิดขึ้นนะเราเผื่อใจไว้แล้วนะธรรมะที่มันสอนจะให้เราเผื่อใจไว้แล้วถึงเวลานี้่อ่อเราก็ไม่เสียสูญเพราะเรามีสติอย่าไปมองข้ามนะหลายคนเนี่ยพัดหลายคนเนี่ยเรียกว่าพลั้งพลาดเพราะว่า การมองข้ามเรื่องของสติเรื่องของการปฏิบัติธรรมเรื่องการฝึกจิตฝึกใจพวกเราจะเคยได้ยินชื่อหมอคนหนึ่งนะหมอวิสุทธ์พุนกเกษมสันติเมื่อสิบปีทีแลนี่เป็นข่าวใหญ่ติดต่อกันหลายเดือนเพราะว่าถูกข้อหาว่าฆ่าเมียและสุดท้ายก็มีหลักฐานที่ทำให้ศาลตัดสินว่าผิดจริงแล้วก็ตัดสินประหารชีวิตจาก รองศาสตราจารย์ในหมาหาวทยาลัยที่มีชื่อนะคือจุลาลงกรณ์หมาหาทยาลัยจากคนที่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทำเด็กหลอดแก้วลำดับต้นๆของเอเชียกลายเป็นนักโทษประหารโอ้มันตกดิง่งเหมือนกับฟ้ากระเหวเลยแต่โชคดีที่ถูกลดโทษเพราะว่าเป็นนักโทษชั้นดี จนกระทั่งติดคุกแค่10กว่าปีแล้วก็ออกมาแกเคยให้สัมภาษณ์นะตอนที่ออกจากคุกใหม่ๆว่าคือพูดถึงประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาทบทวนชีวิตที่ผ่านมาก็บอกว่าเสียดายที่ไปมองข้ามเรื่องการปฏิบัติธรรมไปทุ่มเทกับงานการมากเกินไปในหัวเนี่ยนะมีแต่เรื่องงานวิชาการงานสอนงานวิจัย ไม่ค่อยมีเวลาฝึกจิตฝึกใจเรียนรู้เรื่องการคลองสติถึงตอนนี้รู้แล้วว่าไอสิ่งเหล่านี้สำคัญกว่าวิชาความรู้ที่จริงต้องวงเล็บด้วยว่าสำคัญกว่าทรัพย์สินเงินทองด้วยซ้ำ <c oughs> หรือว่าฐานะตำแหน่งหากย้อนเวลากลับไปบ่ากลับไปได้เนี่ยนะก็จะมาปฏิบัติธรรมนะจะฝึกจิตฝึกใจ ไม่ต้องรอให้แกแล้วค่อยมาทำก็ยังดีนะที่มีโอกาสแกนะเพราะว่าถ้าตามคำตัดสินของศาลเดิมเนี่ยหมอวิสุจิ์ไม่มีโอกาสแกนะเพราะว่าถูกปรานชีวิตตอนนี้ก็หันมาสนใจเรื่องธรรมะมากขึ้นบวชพระแล้วก็ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมตอนนี้ก็สึกไปแล้วนะอันนี้เป็นประสบการณ์คนที่เคยพลาดนะเพราะว่า ไอวิชาความรู้มันไม่ช่วยในยามที่ชีวิตเกิดวิกฤตนะแต่ว่าสตินี่แหละจะช่วยได้นะแต่สติมันไม่ได้เกิดขึ้นเองมันต้องเกิดจากการปฏิบัตินะเกิดจากการทำความเพียร น, นะให้การที่เรามาปฏิบัติที่นี่เนี่ยก็เพื่อเหตุ น, นี้แหละมีบางคนอาจจะสงสยัยนะ โดยว่าไอ้ฉันก็ทําความดีมาแล้วทําไมต้องมาปฏิบัติธรรมอีกสี่ห้าฉันก็ครบแล้วนะอันนี้ก็เหมือนกันนะทําความดีเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะไม่จะไม่เจอทุกนะทําความดีก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่เจ็บไม่ป่วยทําความดีก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่เจอความพัดภาคสูญเสียนะทาความดีไม่ได้แปลว่าแฟนจะไม่ทิ้งจะไม่อกหักนะ ไม่ได้แปลว่าทําความดีแล้วธุรกิจจะเจริญไม่ถูกไม่ไม่เจอร่มละลายคนดีก็มีสิทธิ์จะเจอเหตุแบบนี้เหมือนกันไม่งั้นเพียงแค่ทำความดีที่หาศีลแล้วเนี่ยก็บอกว่าฉันไม่ต้องปฏิบัติทำหรอกอันนั้นไม่พอทําความดีก็จริงแต่ว่าต้องเห็นความจริงด้วยเห็นความจริงหรือเข้าใจความจริงว่ามันไม่เที่ยงอ ะ, อะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้ นี่ ม, มันเกิดขึ้นได้เนี่ยนะถามว่าความดีที่เราทำเนี่ยนะมันพอไม่บางทีก็อาจจะไม่พอนะเพราะว่าใจเราเนี่ยยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ความดีมันช่วยให้เราเนี่ยช่วยให้ใครต่อใครเนี่ยมายืน่นยื่นมือมาช่วยช่วยเราอันนี้จริงอยู่นะความดีเนี่ยเมื่อเราเมื่อเราทำแล้วเนี่ยมันก็จะมีคนหยิบยื่นมาช่วยเรา แต่ใครจะช่วยเราเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับว่าเรารู้จักพึ่งตนเองได้หรือว่าเราสามารถจะทำใจได้ถ้าเราทำใจไม่ได้แม้คุณจะช่วยเราอย่างไรเนี่ยมันก็ป่วยการเราจะทำใจได้อย่างไรเราทำใจได้ก็ต่อเมื่อเราเห็นความจริงว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นธรรมดาโลกนะหลายคนทำความดีสร้างบุญสร้างกุศล นะกระถินผ้าป่าไม่เคยขาดแต่ว่าพอเกิดเหตุร้ายทําใจไม่ได้เนเสียส่วนคลุ้มคลั่งหรือบางทีถึงกับลั่นวาจาว่าฉันไม่เข้าวัดแล้วฉันไม่ทําบุญแล้วมีนะเมื่อสี่กับสี่สิกว่าปีก่อนไม่มีไฟไหม้ใหญ่ที่ทิศสุรินทนระ์บ้านเรือนผู้คนสิ้นเนื้อผู้คนสิ้นเนื้อประดาดตัวไปเป็นร้อยเป็นพัน ก็มีคนหนึ่งมาพูดแล้วก็ถึงหูหลวงปูด่ดูลนตุโลว่าเนี่ยปู่ญาตาิยายเขาก็ทำบุญพ่อแม่เขาก็ทำบุญมาตลอดตัวเขาเองก็กระทินผ้าปา่านะไม่เคยขาดแต่ทำไมต้องมาเจอแบบนี้ทำไมบุญไม่รักษาธรรมทำไมธรรมไม่คุ้มครองต่อไปนี้ฉันไม่ทาบุญแล้วฉันไม่เข้าวัดละ หรือดูเนะี่ถ้าเป็นลูกศิลป์ลูกปุ่มมั่นนะท่านก็พูดว่าเนี่ยธรรมะมันไม่ได้ทําหน้าที่อย่างนั้นแล้วท่านอธิบายว่าเนี่ยความเสื่อมความวิบากความอันตรทางความพัดพรากมันเป็นสิ่งประจําโลกหมายความว่ามันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลากรนีผู้ที่มีธรรมะหรือผู้ที่รู้ธรรมะเนี่ยนะเมื่อประสบภาวะเช่นนี้เนี่ยจะวางใจอย่างไรใจจึงจะไม่ทุกข์ อันนี้ต่างหากเป็นหน้าที่ของธรรมะไม่ใช่ว่าธรรมะจะป้องกันไม่ให้ตายไม่ให้ป่วยไม่ให้หิวไม่ให้ไฟไหม้ไม่ให้บิบัติได้มันเกิดขึ้นก็จริงแต่ถ้ามีธรรมะจริงๆเนี่ยนะมันจะช่วยได้ให้ใจไม่ทุกข์ใจไม่ทุกข์เพราะอะไรเพราะมีสติเพราะเห็นความจริงว่ามันเป็นเช่นนั้นเองนะการเห็นสัจธรรมนะว่าความพัดพ่าสูญเสียเรื่องธรรมดาเนี่ย ถ้าเห็นจริงๆนะรวมทั้งเห็นแม้กระทั่งว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยแม้แต่ทรัพสมบัติก็ไม่ใช่ของเราร่างกายก็ไม่ใช่ของเราถ้าเห็นถึงขั้นนี้เนี่ยนะมันไม่มีคำว่าสูญเสียไม่มีคำว่าพัดพักพัด พ, พรากที่จริงสิ่งที่เรามีเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยลดลงแต่เป็นกําไรนะเป็นกําไรชีวิตถ้ามันจะหายไปบ้างมันจะเหลือไม่กี่อย่างสุดท้ายเหลือแต่ เสื้อผ้าเนี่ยยังถือว่ากําไรนะเพราะอะไรเพราะว่าคนเราเกิดมาเนี่ยมันตัวเปล่าถูกจนป้นบ้านถูกยึดบ้านถูกยึดทรัพย์สินไปจนเหลือแต่เนื้อแต่ตัวมีเสื้อผ้าไม่กี่ชิ้นมีสมบัตินะอยู่บ้างยังถือว่ากําไรนะเพราะว่าตอนเกิดเราไม่เหลืออะไรเลยและตอนตายเราก็จะไม่เอาเอาอะไรไปไม่ได้ซักอยาก่าง ถ้าเห็นความจริงแบบนี้นะมันก็ไม่ไม่เศร้าไม่เสียใจนะยังยิ้มได้นะยังยิ้มได้ว่าอย่างน้อยฉันก็มีอะไรบางอย่างติดตัวไว้บ้างนะไม่ได้ไม่ได้ศูญไปหมดไม่มีคําว่าสูญเสียนะเพราะว่าไอ้เกิดมานี่มันก็มาแบบตัวเปล่าอยู่แล้วที่มีอยู่ตอนนี้คือกําไรและถ้ามันจะหายไปบ้างมันจะหมดไปบ้างนะก็ยังถือว่าได้กําไรอยู่ มันไม่มีคําว่าสูญเสียถ้าคิดแบบนี้เนี่ยนะก็สามารถจะประคองจิตรักษาใจไว้ได้เป็นปกติและเรื่องนี้เป็นเรื่องของธรรมะธรรมะที่แท้จริงต้องทําให้เราเห็นถึงขั้นนี้ะถ้าเรายังเห็นไม่ถึงขั้นนี้เนี่ยก็หมายความว่าเราจําเป็นต้องมาปฏิบัติธรรมเราจะไม่ต้องมาศึกษาธรรมไม่ใช่ศึกษาด้วยการอ่านการเขียนการฟังแต่ว่าต้อง ปฏิบัติกับเนื้อกับตัวจนกระทั่งมีสติมีปัญญาอยู่กับจิตกับใจของเราอันนี้แหละถึงจะทําให้เรามีหลักประกันอย่างแท้จริงว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเรานะใจก็ยังไม่ทุกข์อันนี้เราคือจะหลัก ป, ประกันว่าแม้วันนี้สุขพรุ่ง น, นี้ก็ยังสุขต่อไปแม้อะไรๆจะเกิดขึ้นกับเราก็ตามแต่ถ้ายังไม่มีตรงนี้นะก็แสดงว่าเรายัางไม่พร้อม เรายังไม่พร้อมกับชีวิตในวันข้างหน้าเราจะเป็นต้องเตรียมตัวเราเป็นต้องหันมาใส่ใจกับการปฏิบัติทําให้มากนะอย่ามองข้ามอย่าเห็นว่ามันเป็นเรื่องจิบจ่อยยิบจอ้อยเพราะเมื่อวันนั้นมาถึงโดยเพพาะวันที่ความตายมาถึงเนี่ยเราก็จะไม่เสียดายว่าปล่อยเวลาผ่านไปโดยไร้ประโยชนนะ์เราได้เตรียมตัวพร้อมแล้วถึงเวลาที่จะตายก็ไม่กลัวตาย แต่ถ้าไม่สนใจนะอย่าว่าแต่ความตายจะมาถึงเลยแม้ทั้งความเจ็บป่วยก็ทาให้เราหรือแม้แต่ทั้งอกหักแฟนทิ้งก็จะเป็นจะตายแล้วเปอเพอร่าตัวตายซะเองนะเป็นมากับผู้คนมากมายแล้วเพราะความประมาท ก, กับชีวิตเพราะเหตุนี้แหละคำนี้ก็พูดกันท่านีีนะครับทรา